พระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรุปเป็นพระธรรมที่น่ามาสัจ์ใจอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งมาสัจจของโลกเช่นกำแพงเมืองจีนหรือเปรลิตรในประเทศเอิป สิ่งเลนี้ก็เป็นสิ่งที่มาสัจจันร์เพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้อย่างยากลำบากต้องใช้คนเป็นจำนวนมากถึงจะสามารถสร้างกำแพงองันใหญ่โตที่มีระยะทางที่ยาวมากเป็นพันกิโลหรือพีระมิด ที่สร้างด้วยก้อนหินนั่นก้อนใหญ่ๆจึงเป็นสิ่งที่มาสัจจร์ใจเวลาที่เห็นแต่ถ้าเราได้มาสัมผัสกับธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสัมผัสได้ทรงตัดสรู้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งมาสัจจร์นในโลกนี้กลายเป็นเรื่องเป็นเหมือนของธรรมดาไปแ ธรรมที่เราจะได้สัมผัสจากการปฏิบัติเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่กว่ามาก ม, ah, มาหา์หัสจันกว่ามากชนถึงกับพูดไม่ออกคือบรรยายไม่ออกว่าม า, มาหา์หัสจั์อย่างไรต้องสัมผัสเอง ต้องเห็นเองต้องต้องรู้เองแล้วถึงจะรู้ว่ามันมหัศจรรย์อย่างใหญ่อย่างใดสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่เราเห็นในโลกนี้เห็นแล้วมันก็ผ่านไปมหัศจรรย์เดียวเดียวมันก็ผ่านไปแต่สิ่งที่เราได้สัมผัสจากการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ติดกับใจเราไป อันนี้แหละคือความมาสัจจันของธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งนํามาสอนมาบอกมาเล่าให้พวกเราที่ยังไม่ได้สัมผัสกับธรรมอันมาสัจจันอันนี้ธรรมอันมาสัจจันอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งค้นพบ ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะค้นพบได้เพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการค้นหาต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะค้นหาทำอันมาสั จ, จันใจนี้ได้แต่พอพระองค์ได้ท่งค้นพบแล้วพอเอามาสอนมาบอกมาเล่า ให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้เห็นก็จะทำให้เขาสามารถเข้าถึงธรรมอันมหศัศจรรัร์นี้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือความมหศัศจรร์ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราทั้งหลายนี่จะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าถึง ทำอนอาัศจจั์มหาสัจจันใจนี้ได้เลยเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบทำอันมหาสัจันนี้ก่อนเมื่อสองคนพบแล้วนำม า, มาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราอีกทีบอกวิธีที่จะให้เราได้เข้าถึงทรมหาสัจจันอันนี้ พอเรารู้วิธีเรานำมาไปปฏิบัติเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเราก็ได้กันทันทีสําหรับพระพุทธเจ้าเองกว่าจะมาค้นพบธรรมอันมหัศจรรย์นี้ใช้เวลาเป็นกับเป็นกันใช้เวลาเป็นหลายแสนหลายล้านล้า น, านปีกว่าที่จะสามารถเข้าถึงธรรมอันมหัศจรรย์นี้ได้ แต่สำหรับพวกเรานี้โชคดีมากเพราะเราไม่ต้องค้นหาเองถ้าพวกเราค้นหาเองหายังไงก็ไม่เจอลองลองคิดดูสมมุติดูว่าถ้าเราต้องค้นห า, เ, าเข็มในทะเลแล้วต้องหลับตาค้นหาเราจะมีวันค้นหาเข็มในทะเลเจอไหมเข็มที่มันหลงไป หล่นลงไปในทะเลแล้วเราเป็นคนตาบอดเราต้องงมเข้าไปงมหาเข็มอันนี้อันนี้ยังยังง่ายกว่าการหาธ ร, รมอันมหัศจรร์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นหาได้นี่แหละพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราจึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราเสียด้วยซ้าไปพ่อแม่ของเราก็มีพระคุณต่อพวกเราอย่างล้นฟ้าอยู่แล้วแต่พระคุณของพระพุทธเจ้านี้มีพระคุณยิ่งกว่าพระคุณของพ่อแม่อีกหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะสิ่งที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เราได้รับจากบิดามารดานี้ มีคุณค่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองคุณค่าที่เราได้สิ่งที่เราได้จากบิดามารดาก็คือร่างกายร่างกายที่เรามีอยู่กันในวันนี้ที่เราสามารถมาทำอะไรต่างๆให้กับเราได้อย่างมากมายจะเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องมีร่างกายอยันนี้จะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายก เป็นมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิก็ต้องมีร่างกายอันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรกันเมื่อสองวันเป็นนางงามจักรวาลก็ต้องมีร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเป็นนางงามจักรกวาลได้อันนี้ก็คือพระคุณของบิดามารดาของพวกเราพวกเราจึงไม่ควรลืมพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ ไม่ว่าท่านจะดีกับเราหรือไม่เมตตากับเราหรือไม่เลี้ยงเราหรือไม่ก็ตามแต่พระคุณอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เราลืมไม่ได้ถ้าไม่มีบิดามารดาเราจะไม่มีร่างกายอันนี้พอเรามีร่างกายอันนี้แล้วเราก็สามารถ ใช้มันให้มันไปหาสิ่งที่เราต้องการกันได้อยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้อยากจะเป็นงามก็เป็นได้อยากจะเป็นดาราภาพยนตร์ก็เป็นได้อยากจะเป็นนักดนตรีก็เป็นได้อยากจะเป็นนักศึกษาก็เป็นได้อยากจะเป็นอะไรต่างๆที่มนุษย์เราเป็นกันนี่เป็นกันได้หมดถ้ามีร่างกาย องมนุษย์ถ้าไปมีร่างกายของเดรัชานนี้ก็เป็นไม่ได้นะถ้าไปได้ร่างกายของสุนัขของแมวจะมาเป็นดาราภาพยนตร์ก็อาจจะเป็นได้บางตัวบางตัวโชคดีเขาจะทำภาพยนตร์เกี่ยวกับหมาเขาก็จับหมามาสอนมาเล่นก็ได้แต่นี่เป็นกรณีพิเศษแต่ทั่วไปแล้วก็ เป็นอะไรมากไม่ได้ยิ่งถ้าไม่ได้มาเกิดเลยไม่มีร่างกายเลยหรือไปเจอพ่อแม่แม่ที่ไม่เดี๋ยวแลไม่ไม่เมตต า, อาพอตั้งคันก็เอาไปรีดออกเราก็ไม่มีวันที่จะออกมาจากท้องแม่ได้ออกมาเกิดได้ อ, ออกมาออกมาแบบตายไม่ได้ออกมาแบบเป็น นี่คือบุญคุณของบิดามารดาแต่บุญคุณของพระพุทธเจ้านี้มันเหนือกว่าเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้สัมผัสได้พบเห็นนี้มันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่ร่างกายของพวกเราจะหากันได้ร่างกายของพวกเราเราสามารถหา ราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายกันได้เป็นมหาเศรษฐีกันได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นนักกีฬาเหรียญทองได้เป็นอะไรต่างๆที่มนุษย์เราเป็นกันได้แต่จะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นนี้เป็นไม่ได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนมาบอกวิธีคือให้เราได้เป็นพระสาวกเป็นพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสการสิ้นกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการเป็นอะไรต่างๆที่มนุษย์เราเป็นกันอยู่นี่ เพราะความสุขที่เราได้รับจากการสิ้นกิเลสนี่มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากการเป็นอะไรต่างๆเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นมหากษัตริย์เป็นนักกีฬาเหรียญทองเป็นอะไรก็ตามเถิดความสุขที่ได้จากการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ สู่การเป็นผู้สิ้นกิเ ล, เลสไม่ได้การสิ้นกิเลสนี้จะทำให้ใจของเรานี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่เต็มร้อยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเป็นอะไรต่างๆเป็นความสุขที่ไม่เต็มร้อยและเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขชั่วประดิวปรดาว ช่วงที่เราได้เป็นใหม่ๆเท่านั้นเองเวลาได้เป็นนั่นใหม่ๆนี่ดีใจแต่ไปสักพักหนึ่งความดีใจจากการได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็หายไปแล้วนอกจากหายไปแล้วยังมีเรื่องหรือมีความทุกข์อะไรต่างๆที่ยังเข้ามาสู่ในใจของพวกเราได้เป็น อะไรก็ตามยังต้องมาทุกข์กับคนนั้นคนนี้อยู่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทุกข์กับร่างกายของตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมหาเศรษฐีมาบัธานาธิปดียิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังมีเรื่องของร่างกายเหมือนกันร่างกายของมหาเศรษฐีกับร่างกายของคนขอทานก็เป็นร่างกายเหมือนกัน ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันใจของเศรษฐีกับใจของขอทานก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายเหมือนกันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเหมือนกันแต่ใจของผู้ที่สิ้นกิเลสนี้จะไม่มีความทุกข์เหล่านี้เข้ามาในใจได้เลย ใจของผู้สิ้นกิเลสคือพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกก็ดีคำว่าผู้สินสออาาส้นกิเล็ตก็คืออรหันต์พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเล็ตก็มีสองแบบพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเล็ตด้วยตนเองเป็นผู้ที่ชาระกำจัดกิเล็ตตัณหาได้ด้วยตนเองมีคนเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถ ที่จะกำจัดกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ด้วยตนเองนอกานั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาสอนมาบอกวิธี <Yeah. S 1> ผู้ที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถกำจัดกิเลสให้หมดไปจากใจได้ <Yeah. S 1> เราก็เรียกว่าพระอารหันต์ตัศวก <Yeah. S 1> ผู้สิ้นกิเลสมีสอง แบบสองชนิดด้วยกันแบบแรกคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบที่สองคือพระอาหารหันตสาวกคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังนั่นเองผู้ศึกษาอย่างพวกเราตอนนี้เป็นสาวกกันเพราะเรากำลังฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากำลังเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ตอนนี้ยังเป็นขั้นที่เรียนอยู่ยังไม่ได้เป็นเต็มที่เริ่มเป็นพอเราเริ่มศึกษาเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ฟังแล้วแล้วถ้าเราสามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้ต่อไปเราก็จะสิ้นกิเลสเราก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วการเป็นพระอาหารหันนี้ดีกว่าการเป็นอะไรต่างๆที่เป็นกันในโลกนี้ หลายแสนหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะจะเป็นความสุขความดีใจที่ไม่หายไปเหมือนกับความสุขความดีใจที่ได้จากการเป็นอะไรต่างๆได้อะไรมาได้เป็นอะไรดีใจเดียวเดียวเดียวไม่กี่วันหายไปแล้วเดี๋ยวไปถามนางงามจั ก, กรวาลดูสิตอนนี้ดีใจเหมือนเมื่อวันที่ได้รับหรือเปล่ามันหายไปแล้ว แต่การได้ความสุขจากการสิ้นกิเลสนี้มันไม่มีวันหายเลยมันอยู่กับใจเหมือนตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ขณะแรกที่ได้สัมผัสกับความสุขอันนี้ความสุขที่เกิดจากการสิ้นกิเลสพอได้สัมผัสกับมันแล้วทีนี้มันก็จะอยู่กับไปใจกับใจไปตลอดและความสุขอันนี้มันจะอยู่ในทุกส่วนทุกสั์ทุกส่วนของจิตใจ มันจึงไม่มีช่องให้ความทุกข์เข้ามาได้ท่านถึงเรียกว่าปรมังสุขถังบรมมัสุขสุขแบบเต็มร้อยคือในใจนี้ไม่มีสัต์ส่วนไหนที่จะมีช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาได้เลยทุกสั์ทุกส่วนของใจนี้ถูกความสุขอันนี้อาศัอาอาายอยู่เต็มไปหมด ความทุกนี้เข้ามาไม่ได้เลยความทุกที่คนธรรมดาสามัญที่ยังไม่สิ้นกิเลสที่ยังต้องเจอกันนี้ไม่สามารถเข้ามาในใจของผู้ที่สิ้นกิเลสได้ความทุกที่เกิดจากความแก่ความทุกที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกที่เกิดจากความตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักหรือความทุกข์ที่เกิดจากการพบปะกับบุคคลที่เราไม่รักเราไม่ชอบหรือพบปะกับสิ่งที่เราไม่ชอบเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาในใจได้ ถึงแม้ว่าจะไปพบกับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ตามเพราะผู้สิ้นกิเลสแล้วนี้จะไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกกับความตายไม่ทุกกับการพัดพลากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักไม่ทุกกับการพบปะกับสิ่งที่เราไม่รักกับบุคคลที่เราไม่รัก หรือเหตุการณ์ที่เราไม่รักมันจะไม่มีความทุกข์เหล่านี้ไม่มีช่องให้มันเข้ามาในใจเรานั่นเองเพราะในใจของผู้สิ้นกิเลสนี่มันถูกความสุขคร อ, อบครองไว้หมดเลยเต็มไปหมดเลยจึงไม่มีช่องว่างให้ความทุกข์เข้ามาได้เลยนี่แหละคือพระคุณของพระพุทธเจ้า ถ้าเปรียบเทียบกับพคุณของบิดามันดายิ่งใหญ่กว่าบิดามันดาให้เราให้ร่างกายแก่เราเพื่อให้เราได้หาความสุขแต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็ไม่สามารถที่จะป้องกันหรือปิดปิดกัน้นไม่ให้ความทุกข์เข้ามาในใจได้ยังต้องเจอความทุกข์กันอยู่ เป็นมหาเศรษฐีก็ต้องเจอกับความทุกข์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังต้องเจอกับความทุกข์เป็นผู้ที่ได้ชนะรางวัลต่างๆเช่นนางงามจากกวาลได้รับเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกได้ชนะบอลโลกถามถึงพวกที่ชนะตอนที่ได้ตอนนั้นกับตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึก ตอนที่ได้รางวัลใหม่ๆนี่โหตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงความรู้สึกนั้นหายไปหมดแล้วแล้วความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็เข้ามาเหมือนเดิมทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้นีกกนน่แหละพูดเปรียบเทียบให้ฟังถึงความมาสัจจรรันของประสบะการของพระพุทธเจ้า คือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสเราเรียกว่าธรรมก็คือการสิ้นกิเลสเนี่ยเป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่สูงสุดการสิ้นกิเลสนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นขั้นขั้นไม่ได้สิ้นกิเลสทันทีร้อยเปอร์เซ็นตก็เป็นการสิ้นกิเลสไปทีละขั้นทีละตอน แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันที่เราเรียกว่าพระอริยสงสาวกสี่ขั้นนี่พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันเนี่ยเป็นผู้ที่สิ้นเกเลตเป็นขั้นขั้นผู้ที่สิ้นเกเลตเต็มร้อยก็คือพระอารหันลองลงมาก็คือลองลงมาก็คือพระอนาคามี ลองลงมาก็คือพัสกิดาคามีลองลงมาก็คือพัสโสดาบันท่านเหล่านี้จะมีการสิ้นกิเลสที่ไม่เท่ากันขั้นที่หนึ่งนี้ไม่ไ ม, ไม่เท่าขั้นที่สองขั้นที่สองไม่เท่าขั้นที่สามขั้นที่สามไม่เท่าทขั้นที่สี่นขั้นที่สี่นี้สมบูรณ์เต็มร้อยถ้าเปรียบเทียบตามเปอร์เซ็น ขั้นที่สามก็ประมาณห้าสิบเปอร์ซนตตามจํานวนกิเลสที่ยังเหลืออยู่ขั้นที่สองก็เหลือประมาณขั้นที่สองก็เหลือประมาณสิ้นกิเลสไปประมาณสามสิบเปอร์ซสี่สิเอร์เซ็นต์ขั้นที่หนึ่งก็สิ้นกิเลสไปสามสิเอร์ซนตเราวัดตัวกิเลสที่ตรงไหน ตัวกิเลก็คือสังโยชนสิบสังโยชนี้คือกิเลสที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของสัตว์โลกพระโสดาบันนี้ชำละกิเลสสามตัว ช, ะะชำล ะ, กก ช, ำละ ช, ชำละสักกายทิฏฐิชำละวิจิตกิจชาชำละศีลพัตประมาต์ได้สามตัว สกายทิฏฐิคือความเห็นผิดความไปเห็นที่ว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความรู้สึกเป็นตัวเราของเราเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นผิดพระโสดาบันหลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้มองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บความรู้สึก ทางร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นความเจ็บหรือความความเจ็บหรือความไม่เจ็บความรู้สึกทางร่างกายมันเป็นของร่างกายแต่เราจะหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราแล้วพอร่างกายเจ็บเราก็จะหลงคิดไปว่าเราเจ็บเวลาร่างกายไม่เจ็บเราก็คิดว่าเราไม่เจ็บ แต่ความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่เป็นผู้มาใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆให้กับเรานั่นเองเร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้ทุกคนคงจะรู้จากคนรับใช้ว่าเป็นยังไงคนรับใช้เขาก็มารับใช้เราเราต้องการให้เขาทำงานอะไรให้กับเราเราก็ใช้เขาได้ ใช้เขาช่วยกวาดบ้านถูบ้านไปซื้อกับข้าวทำกับข้าวซักเสื้อผ้านี่คือคนรับใช้แต่เราเป็นคนสั่งคนรับใช้นี้เราไม่ได้เป็นคนรับใช้แต่เนื่องจากเรานี่คือใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายมันมาเกาะที่ร่างกาย มันก็เลยทำให้คิดไปว่าตัวร่างกายนี้คือมันใจนี้ไปหลงคิดเองไปหลงคิดว่าร่างกายที่ใจมาเกาะมาสั่งให้ทำอะไรต่างๆนี้เป็นตนเองเป็นใจก็เลยต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกาย ท, ทันทีแต่พอมาลู้ทีหลังว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกาย เราเป็นเพียงผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆพอเรารู้เราก็สามารถาแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ทันทีร่างกายเป็นอะไรที่เราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแกร่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของคนรับใช้ เวลาคนรับใช้เจ็บเราไม่ได้ไปเจ็บกับเขาเวลาคนรับใช้แก่เราไม่ได้ไปแก่กับเขาเวลาเขาเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขานี่คือสกายทิฏฐิความเห็นผิดไปเห็นว่าร่างกายกับความรู้สึกทางร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราพอเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้า แล้วได้ศึกษาความเป็นมาของร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายมันไม่ได้เคยเป็นเราเลยเนี่ยร่างกายมันมาจากพ่อจากแม่เรามาจากไหนเรามาจากดวงวิญญาณ น, นี่ดวงวิญญาณที่ตายไปที่ร่างกายอันเก่าตายไปอย่างตอนนี้เรามีร่างกาย เดี๋ยวต่อไปร่างกายตายไปเราก็จะเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปหาร่างกายอันใหม่พอเราได้พบพ่อแม่คนใหม่ที่กำลังสร้างร่างกายอันใหม่เราก็ไปครอบครองร่างกายอันใหม่นั้นทันทีนี่แหละถ้าเราศึกษาดูความเป็นมาความเป็นไปของร่างกายเราจะเห็นว่า ร่างกายมันไม่มีตอนไหนที่มาเป็นเราเลยมีแต่เรานะเนี่ยแหละไปเป็นมันเองความหลงของเรามันหลอกให้เราไปเป็นร่างกายเพราะเราไปเกาะติดกับร่างกายเพราะเราต้องการใช้ร่างกายพาให้เราไปทำอะไรต่างๆนั่นเองใจเรามีกิเลสความอยากต่างๆเนี่ยกิเลสหรือตัณหาเนี่ยเป็นกิเลสเป็นตัวที่ สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายต่างๆให้กับเราเรามีตัวนี้ตัวอยากได้ร่างกายเพราะเราอยากใช้ตาหูจมูกลินกายของร่างกายพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาสัมผัสนั่นเองเราจึงไปคอยหาร่างกายช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่ร่างกายเก่าของเราตายไปเนี่ย เช่นร่างกายของเราที่มีอยู่ตอนนี้ต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วมันต้องตายไปพอมันตายไปเราก็แยกออกจากร่างกายไปเหมือนคนขี่ม้ากับมาพอม้าตายคนขี่ม้าทำยังไงก็เดินไม่มีม้าขี่ก็ต้องเดินเดินไปหาม้าตัวใหม่เท่านั้นเองนี่คือเรา เราคือคู่ขี่ร่างกายผู้ใช้ร่างกายเราก็ไปรอฮะไปหาร่างกายอันใหม่พอไปเจอพ่อแม่คนใหม่เขากำลังสร้างร่างกายอันใหม่กันเราก็เลยไปอคอยครอบครองทันทีพอเริ่มตั้งคันขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปจับจองร่างกายที่ตั้งอยู่ในคันของแม่นี่แหละคือ การมาพบปะกันระหว่างร่างกายกับจิตใจการมาพบปะกันระหว่างร่างกายกับเราเราคือจิตใจเรามาพบร่างกายแล้วเราก็มาครอบครองร่างกายเหมือนกับเราไปหาม้าขี่กันม้าตัวเก่าเราตายไปเราก็เดินไปตามอคอกม้าต่างๆถ้าไปเจอม้าที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ขึ้นไปขี่เลยแล้วก็เอา ไปกับเราเลยนี่แหละคือร่างกายกับเราเราเป็นเหมือนคนขี่ม้าแต่เราเป็นเราไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราจะสามารถเห็นได้เหมือนกับม้านั่นเองเหมือนกับร่างกายนี้เราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นตัวเราเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราอยู่ในร่างกายเป็นร่างกายนี่เรียกว่าสักกายะทิฏฐิเป็นกิเลส ที่ทำให้เราต้องมาทุกกับร่างกายทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามร่างกายไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ฝืนไม่ได้ถ้าเราไปฝืนเราจะทุกข์ถ้าเราไม่ฝืนเราจะไม่ทุกข์พอรู้ความจริงอันนี้เราก็เลยไม่ฝืนปล่อยวางร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแล้วเราไปทุกข์กับร่างกายทำไมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ไม่ได้ปิดทำให้ร่างกายไม่ตา ย, ไ ม, ตายไม่แก่ไม่เจ็บร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิมแต่เราทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้เราแก้ได้ <c oughs> ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันเนี่ยพวกเราทุกวันนี้ที่ทุกข์กับร่างกายก็ไม่ยอมปล่อย พอมันจะเป็นอะไรหน่อยนี้ไม่ยอมเลยใช่ไมพอผมขาวขึ้นมาหน่อยนี่ไม่ยอมนะหายายอมผมกันวุ่นไปหมดเลยพอหนังเหี่ยวหน่อยนี้เปิดหาดูว่าหมอสัญญกรรมอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายพอมันหย่อนมันยานหน่อยนี้ต้องรีบหาหมอให้ช่วยมาดึงให้มันตึงหน่อยเดอ๋ย น, นี้สัญญกรรมตกแต่งนี่ขายดิบขายดีนะ หมอสัญญกรรมตกแต่งนี่รวยนะของปลอมนั้นนั้นนะแต่ก็พวกคนตาบอดคนตาหลงก็ชอบกันชอบของปลอมกันนะนี่แหละถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย แล้วพอร่างกายเป็นอะไรเราก็วุ่นวายเดือดร้อนไปกับมันเพราะเราไม่อยากให้มันเป็นอะไรนั่นเองแต่พอเรามาได้ยินคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายอาศัยร่างกายให้ทำงานให้กับเราท่านั้นแต่เราห้ามร่างกายไม่ได้เวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะเป็นอะไรเราห้ามมันไม่ได้ เราก็ต้องปล่อยมันไปพอปล่อยแล้วเราก็สบายใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายนี่คือพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นเห็นความจริงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายนั่นเองถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเท่า น, นั้นเองพอหยุดได้ก็ไม่ทุกข์กับร่างกายกต่อไปพอหน้าสากายทิฐิได้มีดวงตาเห็นธรรม ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองไปก็ไม่เจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจอแต่ซากที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองซึ่งเราก็ไม่รู้แล้ว่าเป็นที่อยู่จริงหรือไม่จริงเพราะมันผ่านมาต้องสองพันกว่าร้อยปีแล้วก็เพียงแต่อาศัยการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่มา มาบอกว่านี่คือที่เกิดของพระพุทธเจ้าอาที่ตายของพระพุทธเจ้าที่ตัดสั้นุของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่จะจริงหไม่จริงเราก็ยังไม่รู้อีกล่ะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติมาพิจารณาร่างกายจนเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเห็นว่ามันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันตอานี้แหละก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วใจที่มีดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดความมหัศจรรย์ใจขึ้นมาเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆ แม้จะให้เป็นมหาเศรษฐีก็ยังไม่รู้สยังไม่สุขเท่ากับการได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมครั้งแรกรถของพระโสดาบันเนี่ยมันจะทำให้ใจของเรานี่มีความสุขมากและไม่หายไปทันทีอยู่กับใจไปตลอดเวลาแต่ยังไม่ครอบคุมทุกสัตว์ทุกส่วนของใจเท่านั้นเองยังมีช่องว่างให้ กิเลสตัวอื่นเข้ามาสร้างความทุกข์ได้อยู่ลากิเลสสามตัวแรกนี้ท่านกำจัดได้แล้วตัวที่หนึ่งก็สักกายาทิฏฐิตัวที่สองก็คือวิจิตกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงพระโสดาบันกำจัดได้หมดเพราะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ย ทำที่พุทธเจ้าสอนตอนนี้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราแล้วนี่คือธรรมแท้ทำที่เราได้ยินได้ฝังนี้ยังเป็นธรรมข้างนอกยังไม่ใช่เป็นธรรมแท้แต่เป็นธรรมที่จะพาให้เราไปสู่ธรรมแท้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมที่เราได้ยินได้ฝังมันก็จะพาและให้เรามาพบกับธรรมแท้เหมือนกับการที่เราดูแผนที่ดู gps การเห็น GPS นี uh ่เห uh uh uh uh ็นแผนที่นี่ยังไม่ได้พาให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการไปกันพอเราเห็นแผนที่เห็น GPS แล้วเราก็ต้องขับรถตามตามเส้นทางไปพอขับไปเดี๋ยวก็ไปถึงจุดที่เราต้องการไปเองธรรมที่พระเจ้าทรงได้สัมผัสรับรู้ที่พวกเราต้องการสัมผัสรับรู้ก็ต้องอาศัยธรรมที่พระเจ้านำเอามาสอนมาบอกเราคือวิธีหรือแผนที่ ที่จะพาให้เราไปสู่ธรรมอันวิเศษอันมหัศจรร์ใจอันนี้พอเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพอเราแยกใจออกจากร่างกายได้เราก็ปล่อยวางร่างกายพอปล่อยวางร่างกายแล้วใจเราก็เบาวิวขึ้นมาทันที เห็นโทษของการที่ไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวที่ส ร, ร้างความหนักอกหนักใจให้กับเราเพราะเดี๋ยวนี้ความกลัวความแก่ไม่มีแล้วกลัวความเจ็บไม่มีแล้วกลัวความตายไม่มีแล้วนี่ยคือการเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็จะไม่สงสัยว่าพระธรรมมีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าผู้สแสดงธรรมมีจริงหรือไม่คือพระพุทธเจ้า ไม่สงสัยผู้บรรลุธรรมว่ามีจริงหรือไม่คือพระอริยะสงสาวกเนเพราะผู้ที่เห็นธรรมนี้ได้กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาแล้วนั่นเองเนีก็เลยละวิจิตกิจฉาได้แล้วก็รับศีลพัตตปรามาสได้ศีลพัตตปรามาสแปลว่าการลูกคําศีน์คื อ, อยังไม่มั่นใจว่าศีล น, นี้ เป็นตัวป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราได้หรือไม่พระโสดาบันนี้จะเห็นทันทีเวลาทําบาปเพียงแต่คิดทําบาปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วแล้วพอไปทําบาปท่านก็เห็นความทุกข์ตามเข้ามาเป็นขบวลนะลองไปโกหกแฟนดูโกหกพ่อแม่ดูลองไปขโมยข้าวของเงินทองใครดูแล้วดูซิว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจหรือไม่ อันนี้คือผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าถึงตัวจิตแล้วจะเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากการคิดไปในทางที่ไม่ถูกคือคิดทำบาปคิดทำบาปก็ทุกข์แล้วพอไปทำบาปยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมีผลมีโทษตามมาอีกเนี่ยพ ร, พระโสดาบันก็เลยจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาด รักษาศีลยอมตายระหวางศีนกับชีวิตที่ยอมยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาศีลและธรรมตามที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมพวกเราทำได้สามขั้นแรก เรายินดีเสียทรัพย์เวลาเราไม่สบายนี่ต้องรักษาร่างกายนี้เรายิไปโรงพยาบาลจ่ายเงินค่าพยาบาลจ่ายค่าประกันเรียกว่ารักษาสละให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะคือร่างกายต่างชิ้นร่างกายอวัยวะของร่างกายต่างๆเป็นโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรก็ยินดีจ่ายใช่ไหมเพื่อรักษาอวัยวะแต่ถ้าหมอบอกว่าอ บอดนี้รักษาไม่ได้แล้วตายด้านนี้รักษาไม่ได้ต้องตัดทิ้งถ้าไม่ตัดทิ้งตายฮรก็ต้องยอมตัดก็ยอมสละอวัยวะกันเพื่อให้ชีวิตอยู่ต่อไปแต่ขั้นที่สามนี่ยากหน่อยให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลและธรรมนี่ใครจะรักษาใครจะยอมสละไหม เกิดเวลาอดตายอดไม่มีอาหารการกินนี่ต้องไปขโมยอาหารมากินเราจะเลือกระหว่างอดตายหรือต้องหรือเลือกต่อกา ร, รขโมยอาหารถ้าเป็นพระโสดาบันนี้จะไม่ยอมทำบาปโดยเด็ดขาด ย, ยอมตายเพราะไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าผู้ที่ตายไม่ใช่ตนนั่นเองนี่คือสีลับพรตะประมาจะไม่สงสัยในเรื่องศีลธรรม จะเป็นผู้ที่ปิดประตูวาบายได้เพราะท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนี่แหละคือพระโสดาบันละสามสิเอร์ซนสิ้นกิเลสส0มสิบเปอร์ซนต่ถ้าเป็นน้ำส้มก็เป็นน้ำส้มเข้มข้น 30% มสิเปอร์ซนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องปฏิบัติขั้นต่อไปขั้นที่สองพันภาะสกิดาขามี พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ก็ปัญหาเรื่องร่างกายเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปแต่มีปัญหาอย่างอื่นมาคือการมาราคะยังมีอยู่ในใจยังรักคนนั้นยังชอบคนนี้อยู่เห็นเขาเราก็ยังอยากได้เขามาเป็นแฟนอยากจะอยู่ร่วมกับเขาอยากจะหาความสุขกับเขาพอไปเห็นว่าเขาหล่อเขาสวยนั่นเอง เห็นแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขเนียพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าไม่อยากจะมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ให้มองด้านอื่นของร่างกายเขาบ้างอย่าไปมองมองแต่ด้านที่สวยที่หล่อคนเรามีทั้งสองด้านที่สวยที่หล่อก็มีด้านที่ไม่สวยไม่หล่อก็มีให้พิจารณาด้านที่ไม่สวยไม่หล่อเช่นด้าน ด้านในภายใต้ผิวหนังของร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรหล่อเลยถ้าเขาประกวดนางงามจั ก, กรวาลแล้วเขาให้เอาภาพเอ็กซเรย์มาฉายให้ดูควบคู่กับเวลาเดินบนจะเห็นกระดูกโครงกระดูกเดินไปนี้เนี่ยคือไม่เห็นข้างในเห็นข้างนอกข้างนอกแต่งเสื้อเหมือนกับเป็นนางฟ้า ข้างในเป็นเหมือนซากศพนโครงกระดูกเดินได้เห็นมีมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างถ้าร่างกายนี้ไม่มีโครงกระดูกมันจะเป็นยังไงรู้เปล่ามันจะเป็นเหมือนแมงกะพุุนไงเคยเห็นแมงกะพุนมั้ยมันยืนมันเดินได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะมันไม่มีกระดูกไงมันก็ต้องเนี่ยฟุบอยู่ในกับพื้นแล้วก็เลื้อยไปกับพื้นเนี่ ร่างกายของคนเราถ้าไม่มีโครงกระดูกมันก็จะเป็นเหมือนแมงกระพุนเนะียอ่านี่พูดให้ดูให้นึกถึงภาพของร่างกายเอที่มันเดินได้มันยืนได้อที่มันน่าดูก็เพราะมีโครงกระดูกคอยสนับสนุนให้หนังเนื้อเอ็นมันมันมันยืนได้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้่นั้นเองถ้าไม่มีโครงกระดูกแล้วมันก็กลายเป็นแมงกระพุนนี่เองอนี่ให้พิจารณา อสุภาะอยากไปพิจารณาแต่สุภาะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่สุภาษกันว่าเวลาเราไปไหนเราต้องสุภาะกันทั้งนั้นออกจากบ้านมีใครจะออกแบบอสุภาษะมก่อนจะออกนี่ต้องดูกระจกกันก่อนในชะ่ไหหน้าตาสะอาดไหมขี้ตามีหรือเปล่าจมูกมีขี้มูกก็เปล่ า, าขี้ฟันแปงฟันหรือเปล่าเหม้นหรือเปล่านีา่ต้องใช้ยา ดับกินหรือเปล่าบ้วนปากชะ ย, ยาบ้วนปากนี่แหละส่วนที่เป็นสุภาพมันถูกกำจัดไงพอออกมามันกลายเป็นสุภาพไปหมดใช่เอนอกจากทำความสะอาดแล้วยังมีเติมแต่งด้วยสีสนันอีกฮะมีสีแดงสีชมพูมีสีดำทาคิ้วให้มันดำให้มันเข้มมี <laughs> มีขนตาปลอมใส่เข้าไป เนี่ยมันมีแต่ของเสริมสวยความงามต่างๆพอเห็นเข้ามันก็เลยหลงรักไข้ขึ้นมาทันทีเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาทันทีเนี่ยพวกที่บ้ากามถ้าไม่มีสติสตางก็ต้องไปข่มขืนเขานเนี่ยไปเพราะห้ามใจไม่อยู่เพราะเห็นของสวยของงามแล้วมันอดไม่ได้เนี่ยแต่เราสามารถแก้ตัวนี้ได้แก้ตัวอยากตัวกามอารมณ์นี้ได้ ถ้าเราหัดมองอสุภาพบ้างอย่ามองแต่สุภาพลองไปเปิดหนังสืออณุตมีหนังสือที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์บ้างนักศึกษาแพทย์ก็จะต้องศึกษ า, าวิยวาศาสตร์ต่างๆของร่างกายเขาต้องเปิดดูร่างกายเปิดเข้าไปข้างในเขาก็จะได้เห็นปอดว่าเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรตับเป็นอย่างไรไตเป็นอย่างไรลำไส้เป็นอย่างไร เนี่ยถ้าเราลองได้เปิดเข้าไปดูร่างกายส่วนภายในของร่างกายแล้วทีนี้เราจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยงามเพียงอย่างเดียวมันมีส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าชมอยู่ถูกผิวหนังปกปิดเอาไว้ทท้งนั้นเองถ้าเราเห็นร่างกายเป็นอสุภะมองส่วนที่ไม่สวยไม่งามมองตอนที่มันไม่สวยไม่งาม ตอนที่อยู่บ้านตอนที่ตื่นขึ้นมาขี้ตายังเต็มตาอยู่ผมเเผวยังรกลุงรังอยู่ปากก็เหม็นขี้ปากหรื อ, อยิ่งถ้าเวลาตายไปนี่เป็นยังไงถ้าแฟนเราตายไปเรายังจะนอนกับเขาไม่คืนนี้ยังจะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าพอไม่มีลมหายใจก็ไม่เป็นแฟนกันละจบกลายเป็นผีแล้วส่งให้สับปะเลอส่งให้วัดเลยไม่ต้องมา ไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องมาคอยกังวลมาห่วงมาห่วงถ้ายังมีลมหายใจอยู่ใครมาเอาไปไหนไม่ได้ใครมาชวนไปไหนข้างนอกไม่ยอมถ้าตัวยังไม่ได้ไปด้วยไม่ยอมให้ไปแต่พอไม่มีลมหายใจแล้วสับ ป, ปะเลยจะเอาไปก็ยกให้ไปเลย น, นี่ก็คือร่างกายที่น่ารักน่าดูนี่เอง พระสกิรดาคามีก็จะสามารถที่จะพิจารณาไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ทำให้ความอยากในการมารมก็เบาบางลงไปนี่คือขั้นที่สองยังไม่ได้กําจัดให้หมดสิ้นไปแต่ทำให้มันเบาบางลงไปเพราะยังไม่สามารถพิจารณาเห็นอสุภะได้ตลอดเวลานั่นเอง บางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ลืมพอเวลาไหนลืมเห็นก็เลยไปเห็นสุภาษะเข้าเห็นความสวยงามเข้ากามาลงก็ยังโผล่ขึ้นมาได้ต้องทําต่อไปถึงจะขึ้นสู่ขั้นที่สามได้ต้องหมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเห็นร่างกายของใครก็ต้องพิจารณาสุภาทันที พิจรณาไปจังกระทั่งไม่หลงไม่ลืมเห็นใครทีไรก็เห็นอาการสามสิบสองเห็นซากศพของเขาทันทีถ้าเห็นอย่างนี้ละทีนี้ก็การมลลมก็ไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้อันนี้ก็จะบรรลุ ข, ขั้นที่ขั้นที่สามละการมลลมกับความหงุดหงิดที่เกิดจากการมีการาอารมเนี่ยนเราเวลามีการมลลมหงุดหงิดไหมเศร้าไหมเหงาหมเนี่ย อยู่คนเดียวไม่ได้แต่พออยู่ใกล้แฟนนี้อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เศร้านี่หายไปหมดเนี่อันนี้เวลาอยู่คนเดียวเกิดการมลลมขึ้นมามันจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดความหงุดหงิดใจเราเรียกว่าปฏิฆะการมลลมเราเรียกว่ากามาราคะถ้าเห็นอสุภะตลอดเวลาการมราคาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ปฏิฆาก็เกิดไม่ได้ ก็จะละกิเลสสองตัวนี้ได้ดีก่ก็สังโยชน์ในพระอนาคามีนี้จะสามารถละสังโยชน์ได้ทั้งหมดห้าตัวสามตัวของพระโสดาบันได้อีกสองตัวเป็นห้าตัวนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำกิเลสชั้นต่ำชั้นที่เราชั้นต่ำเพราะมันกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนั่นเอง ถ้าเราสามารถพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายได้ครบทุกสั์ทุกส่วนแล้วความทุกข์ที่เรามีกับร่างกายนี้จะหมดไปความอยากที่จะได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนก็หมดไปเราจะไม่ทุกข์กับใครอีกต่อไปใครจะเป็นใครจะตายเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือกิเลสเบืเองขั้นต่ำมีอยู่ห้าตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต เหลือกิเลสขั้นสูงให้มีอห้าตัวด้วยกันเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนอันนี้ก็พอได้เป็นพระอนาคามีแล้วทีนี้ก็จะมาเห็นความทุกข์ที่เกิดจากสังโยชน์เบื้องบนแล้วตอนที่ยังไม่ได้เป็นนี้มันถูกไอ้กิเลสหยับหยามาคอยสร้างความทุกข์สร้างความลำคาญใจให้เลยยังไม่เห็นตัวกิเลสที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ เพราะมันละเอียดกว่ามันมีความเด่นชัดน้อยกว่ากิเลสที่เกิดจากสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องสูงนี่มันเป็นกิเลสละเอียดที่อยู่ในที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ภายในจิตในใจของเราจิตใจของเรานี่ถึงแม้ว่าจะไม่มีความอยากกับร่างกายแต่จิตใจของเราก็ยังมีความอยากให้จิตใจของเราสงบ อยากให้จิตใจเรามีความสุขจากความสงบต่างๆอยู่เมื่อก่อนเราอาศัยความสุขจากการมีร่างกายการใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวพาไปดูหนังพาไปมีแฟนเหล่านี้เราไม่ใช้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแบบนี้แล้วเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยแต่เราก็เลยต้องมาอาศัยความสุขที่เรามีอยู่ในใจของเราความสุขที่เกิดเวลาที่ใจเราสงบ เวลาไหนที่ใจเราไม่คิดวุ่นวายไม่ฟุง้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราสงบเย็นสบายพอเวลาไหนเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจก็วุ่นวายขึ้นมาเราก็ทุกข์กับความไม่สงบของใจเราก็เลยอยากจะให้ใจสงบไปตลอดอันนี้ก็หลายเรียกว่าเป็นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งความอยากให้ใจสงบแต่ความจริงมันไม่สงบเพราะใจมันยังอ มีความอยากที่จะไปหาเรื่องกับคนนั้นคนนี้หาเรื่องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถึงแม้จะไม่เป็นเรื่องทางการก็ตามมันแต่มีเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบ คือสังโยชน์ที่อยากจะให้ใจสงบความสงบก็มีสองระดับระดับรูปปัจจานกับอรูปปัจานความอยากให้ใจสงบในระดับรูปปัจจานก็เรียกว่ารูปราคาความอยากที่ให้ใจสงบในระดับอรูปปัจานก็เรียกว่าอรูปราคะเนีสองตัวนี้มันก็จะทําให้ใจวุน่นวายเวลาใจไม่สงบอยากให้มันสงบพอมันไม่สงบมันก็ทุกข์ ถ้ามาใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้แหละบางทีมันก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบมันเป็นอนิจจ์เหมือนกับร่างกายมันเป็นอนัตตาบางทีเราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไม่สงบไปบ้างก็ได้สงบบ้างก็ได้อยู่กับมันได้ทั้งสองแบบสงบก็อยู่กับมันได้ไม่สงบก็อยู่กับมันได้ใจ ก, ก็จะไม่ทุกข์เนี่ย ไม่ทุกข์กับอรูปราคะไม่ทุกข์กับอรูปราคะเหมือนคนที่เคยนั่งสมาธิได้พออยากจะให้มันสงบใหม่พอนั่งไม่สงบเพราะมันอยากให้มันสงบมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่สงบก็ช่างหัวมันก็นั่งไปของเราดูลมไปมันจะสงบไม่สงบก็วันนี้อาจจะควบคุมมันไม่ได้มันเลยไม่สงบก็อยากไปทุกข์กับมันไม่สงบก็ได้สงบก็ได้สงบก็ดีไม่สงบก็ดี อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไร น, นี่คือก็จะละสองตัวนี้ได้เข้าใจความสงบของใจว่ามันยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นเองส่วนตัวต่อมาก็คือตัวมานะทิฏฐิเนี่ยการถือตัวก็ยังยังมีตัวตนอยู่ในใจยังรู้สึกว่าเรายังมีตัวตนอยู่ยังมีเราอยู่เรายังเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ ก็ต้องมาศึกษาดูว่าผู้รู้ผู้คิดนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากสังขารมาจากใจนี้เองใจเป็นผู้รู้สังขารความคิดปรุงแต่งเป็นผู้คิดเท่านั้นเองมันก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่มันคิดนูน่งนู้นคิดเรื่อง น, น, นี้แล้วมันก็หายไปแต่มันไม่แต่เราความหลงมันมาหลอกให้เรามายึดมาคิดว่าเราเป็นเป็นผู้คิดเป็นผู้หลงเป็นผู้เอผู้คิดผู้อยากขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่ความจริงมันเป็นเพียงแต่ผู้คิดที่คิดแล้วก็ดับไปหายไปเกิดดับเกิดดับไปพอรู้ว่าความคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเพียงแต่ความคิดท่านนั้นเองถ้าคิดว่าเราเป็นนายกก็เพราะว่าเขาสมมุติให้เราเป็นนายกท่านนั้นเองถ้าคิดว่าเราเป็นอ ะ, อะไรมันก็เป็นเพียงแต่สมมุติท่านั้นเอง มันไม่ได้เป็นอ ย, าอย่างจริงจริงจังๆตัวที่เป็นมันไม่ได้เป็นไอ้นั้นเป็นตัวสมมุติตัวที่เป็นจริงๆมันไม่เป็นอะไรไมันเป็นเพียงแต่ ต, ตัวคิดตัวรู้เท่านั้นเอง evet. มันก็จะไม่เป็นหลงสมมุติมันก็จะไม่มีมานะทิฏฐิไม่ถือตัวไม่ถือว่าเป็นนายกไม่ถือว่าเป็นนักเลี้ยนนักกีฬาเหรียญทองไม่ถือว่าเป็นนางงามจักรวาลมันก็ เป็นที่ไหนมันก็เป็นร่างกายร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ตายมันเป็นดินน้ํานมไฟเป็นที่ใจใจมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดความจําได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เท่านั้นเองพอวันไหนลืมก็จําไม่ได้ไปถามพวกอัลไซเมอร์ดูถามมันเคยเป็นอะไรจําไม่ได้แล้วมันไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วใช่ไอม มันก็จะละมันก็จะเข้าใจว่ามานะการถือตัวนี้มันเกิดมาจากความคิดความหลงของใจนี้เองเราก็ต้องรู้ทันว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเหมือนกันหมดทุกคนมีแต่ตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองมันก็จะละมานะได้ส่วนตัวอวิชชานี่กับตัวอุทธัจจานี่มันเป็นตัวสุดท้าย ละได้แล้วตัดใจมันก็ยังไม่ยังไม่สงบเต็มที่มันยังมีรู้สึกขาดขาดเกินเกินอยู่บางเวลาก็ยังสุขยังทุกข์อยู่ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรูปราคะอรูปราคะหรือเรื่องของอามานะมันก็ยังไม่รู้สึกเต็มมีความสุขเต็มที่อยู่มันก็ขุดคุยอยากจะรู้ว่าทําไมมันยังไม่สุขเนันยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่มันขุดคุยพอขุดคุยมากๆมันก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นอุทจจานครับ ก็ต้องแก้ด้วยการหยุดเวลาจิตฟุ้งเวลาพิจณามากๆแล้วมันฟุง้งหาตัวสาเหตุที่ยังทำให้ใจเราไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่สงบอย่างเต็มที่ไม่สุขอย่างเต็มที่ <c oughs> เวลาขุดคุยแล้วมันฟุ้งก็ต้องหยุดพักในสมาธิก่อนก็จะแก้ตัวทัศนัจะได้แล้วตัวสุดท้ายคือวิชาก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรละ่ะที่มันทำให้เรายังรู้สึกไม่เต็มยังไม่อิ่มยังไม่พอ คิดจนาไปมันก็จะเห็นว่ามันก็อริยสัจสีที่บอกว่าที่มันไม่อิ่มไม่พอก็ตันหาความอยากนั่นเองยังอยากให้มันอิ่มยังอยากให้ใจอิ่มนะมันไม่อิ่มก็ไม่อิ่มเลยมันอิ่มก็ไม่อิ่มปล่อยมันไปไม่ต้องไปอยากให้มันอิ่มพอมันปล่อยได้ทีนี้มันก็อิ่มขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีความอยากกับอะไรทั้งหมด ทั้งสิน้นไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในข้างนอกคือร่างกายคือลาบยศแต่ละเสริญรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่มีความอยากข้างในใจใจะอิม่มไม่อิม่มก็ไม่มีความอยากมันไม่อิม่มก็ช่างมันมันอิม่มก็ช่างมันรู้ว่ามันนี่คือเป็นธรรมชาติของใจพอมันปล่อยแล้วมันก็เลยกลับอิ่มขึ้นมาความไม่อยากที่ความอยากให้มันอิม่มพอไม่มีความอยากให้มันอิม่มมันก็อิม่ม มันเมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนต้องพิจารณาค่อนข้างที่จะละเอียดถึงจะถึงจะเข้าใจตัวนี้ได้นี่คือเรื่องของการสิ้นกิเลสต้องสิ้นด้วยการละสังโยชน์ทั้งสิบประการนี่ละตามขั้นตามตอนไปละส ก, กายาทิฏฐิละวิจิตกิจฉาละศีลพัตตาภะลมาดแล้วก็ไปละกามราคะละปฏิฆา แล้วก็ขึ้นไปละรูปราคะอารูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชาอาวิชชาก็คืยยังไม่เห็นไม่รู้จักว่าใจนี่ยังมีตัณหาความอยากอยู่นั่นเองพอรู้ว่าอา๋อนี่คือความอยากบรรลุความอยากไปนิพพานนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มันปิดกั้นนิพพานไว้ พอรู้ว่านิพานก็คือความไม่อยากก็หยุดอยากเนพอหยุดอยากมันก็ถึงนิพานพอยังอยากไปถึงนิพานอยู่มันก็ไม่ถึงสักทีเหมือนพระ อ, อนนท์นี่อยากจะไปบรรลุมันพิจารณายัางไงก็ฟุง้งซ่านแทนที่จะสงบกับไม่สงบพอรู้ว่ากูไปไม่ถึงแน่น้าก็เลยหยุดอยากไปพอหยุดอยากไปปั๊บมันก็ถึงเลยนี่คือเรื่องของ ผู้สิ้นกิเลสเนี่ยเป็นอย่างนี้ต้องละกิเลสสิบตัวนี้ให้ได้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนกับสังยสังโยชน์เบื้องต่ําเบื้องต่ําต้องผ่านเบื้องต่ําก่อนถึงเข้าสู่เบื้องบนได้เพราะความหยาบละเอียดความแรงความอะไรมันไม่เท่ากันความยากง่ายมันไม่เท่ากันสังโยชน์เบื้องบนนี้มันละเอียดกว่ามันอยู่ข้างหลังสังโยชน์เบื้องต่ําต้องผ่านสังโยชน์เบื้องต่ําก่อน หมือนก่อนที่เราจะไปบุกถึงกองบัญชาการได้เราต้องผ่านพวกรปอปภที่มันคอยกั้นไว้ก่อนฆ่าพวกรปอปภได้แล้วมันถึงจะเข้าไปในบกสูงสุดได้ไปจับผอบอได้ผู้บังคับบัญชาได้ผู้บังคับบัญชาตัวสุดท้ายก็คือกิเลสคืออวิชชานี่เองนี่ก็คือเรื่องความมาศัจจัยของพระพุทธศาสนาถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่า จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เขาเรียกว่ามาสัจรั์นี้จะสู้กับความมาสัจรัจนของพระธรรมอันประเสริฐที่พระเจ้าได้ทรงตัสัตรู้ไม่ได้พวกเรานี้โชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่มาสัจจันที่แท้จริงที่มีผลต่อจิตใจของเราสิ่งมาสัจจั์ในโลกนี้ไม่มีผลอะไรกับจิตใจเราเพียงแต่เห็นแล้วก็ผ่านไป และสิ่งที่มาสัดจารใจที่เราได้พบในใจเหล่านี้ไม่ผ่านไม่หายจะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือเรื่องของความมาจัดจารใจของพระธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านจงนําเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อที่จะได้สัมผัสพระธรรมอันมหสัสารอันนี้ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปติ อิติตางปะติตางตุมหังคิดป่เมวะสมิชาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะหราโสยถามณิโชติหระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนศีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้ f ฟ c e b o o สามร้อยส u b สิ1หกยสองรอยสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังบนเขาส8สิบแปดรวมทั้งสิ้นหกร้อยสามสิบหกค่ะใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ถามได้ในช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไป พูดใกล้ๆปากหน่อยนะเงี้ยครับครับเรียนพระอาจารย์ครับก็ <มา S 2> อ่าเรนอยากมาดูสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจครับพรอะอาจารย์ช่วยชี้แนะต่อครับก็อตอนนี้ที่ที่ปฏิบัติคิดว่าเรื่องของจิตที่อาจารย์สอนก็คือเป็นคนละส่วนกักายแล้วก็มีความละเอียดแล้วก็ชอบอเก็บนูน่นเก็บนี่มาเป็นเหล่าปฏิบัติก็เพื่อให้รู้ว่า ร่างกคยก็ไม่ใช่ใช่ครับเวทนา <ะ S 2> ก็ไม่ใช่เรา ล, ล้วก็ค่อ ย, อยตอนนี้ก็เลยปฏิบัติก็ที่อยู่นอกเวลาไม่ค่อยเยอะก็จะพยายามนั่งสมาธิแล้วก็พยายามให้จิตสงบแล้วเวลามีสิ่งมาวนใจก็ไปหาเหตุมันว่าอะไรมาทำให้เราทุกข์แล้วก็ค่อยไปหาวิธีไปละมันนะมีคำแนะนำปฏิบัติอย่างไรต่อไหมครับก็พูดความจริงแล้วต้องฝึกสติให้มากครับ สตินี่เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เราเห็นอะไรต่างๆตัวเป็นตัวที่จะสอนให้ให้เราควบคุมความคิดของเราได้ให้เราสั่งให้คิดไปในทางที่เป็นธรรมเพราะใจของเราตอนนี้มันจะคิดไปในทางกิเลสเป็นขันหญ่นั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกสติให้มากเพื่อเราสามารถที่จะหยุดความคิดให้ได้ก่อน ถ้าหยุดความคิดได้จใจก็จะเข้าสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้วใจจะมีพลังมีกําลังมีอาหารคือมีความสุขที่จะทําให้ใจสามารถปล่อยสิ่งต่างๆที่ใจเคยยึดเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความสุขได้ถ้าใจยังไม่มีที่พึ่งอันใหม่ไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่สามารถปล่อย ที่พึ่งอันเก่าได้เช่นร่างกายด้วยความรู้สึกในใจที่เราอาศัยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเหตนเราต้องพยายามฝึกสติให้มีมีอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการก่อนหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปทางปัญญาไปสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตครับก็คือสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างก็รู้แล้วก็ปล่อยมันไปอยาาไปอยากได้อะไรทั้งนั้นครับครับได้ครับตามสบายนะถ้าจะไปถ้าต้องการจะไปก็เดี๋ยวไปหาพระ ก, ก็ได้ไปถามนะถามได้ถ้ามีคำถาม คำถามจัดทำลายค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะดิฉันขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะพูดคุยกับเพื่อนทางโลกอย่างไรให้เขาเข้าใจถึงประโยชน์ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมและเข้าใจให้ถูกต้องว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมเพราะเขาอยากพ้นทุกในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่พ้นทุกแบบทางโลกนะคะที่พอมีความทุกข์แล้วค่อยเข้าวัดเพื่อแก้ปัญหาไปทีละคราวหรือเพื่อสะดะเคราะห์ค่ะขอ ความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ อ, อก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าก็ไม่สนใจก็อย่าไปพูดในะสิเวลาถ้าก็ไม่ถามก็ไม่ต้องไปบอกถ้าก็ถามก็บอกเข้าไปเ อ, อที่เขาวัดก็เพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ได้มีวัดเท่านั้นที่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้ได้ออวัดเป็นเหมือนโรงพยาบาลโลกจิตไง พวกเราถ้ายังไม่ยอมรับว่าเป็นโรคจิตก็ไม่ไปลงมันก็ไม่ไปวัดกันพวกที่ไปวัดนี่ก็ า, ายอมรับว่าเขาเป็นโรคจิตเขาต้องไปหาหมอหมอก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมโอสถก็คือยาของพระพุทธเจ้าพอมหาพระมหาหมอท่านก็จะสอนวิธีรักษาโรคจิตคือโรคของโรความเครียดไงความเครียดนี่แหละคือโรคจิตที่ไปหา แพทย์ทางโลกเขาก็จะให้ยากล่อมประสาทกินนะแต่จะไม่มีวันรักษาให้หายเครียดได้เพราะไม่รู้ต้นสาเหตุของความเครียดอยู่ที่ตรงไหนและอะไรที่จะมาทำลายความต้นเหตุของความเครียดได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะรู้ได้ คำถามต่อไปจากคุณธีรชาติทางย t u b e ค่ะกลับนมัส ก, การเรียนถามพระอาจารย์ว่าการให้ทานกับผู้รับสองคนที่มีฐานะไม่เท่ากันผู้ให้จะได้บุญเท่ากันใช่ไหมครับผู้ให้นี้ไม่ว่าจะให้ใครก็ตามจะได้เท่าเดิมคือปริมาณของการให้ถ้าเท่าเดิมก็จะได้เท่าเดิมเช mm hmm. ่นเรามีอยู่พันหนึ่ง ถ้าเราให้คนเดียวไปพันหนึ่งเราก็ได้บุญพันหนึ่งถ้าเราแบ่งเป็นห้าร้อยแล้วแบ่งให้สองคนเราก็ยังได้บุญพันหนึ่งเหมือนเดิมเพราะการให้ของการเสียสละของเราอยู่ที่พันหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผู้รับนี่ไม่สำคัญว่าจะเป็นไขเป็นหมาก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นพระก็ได้เราให้เขาเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์จากการให้ของเรา เช่นเขาอดอาหารไม่มีอาหารรับประทานใส่บาดพระก็ต้องพระก็ได้ได้อาหารขอทานไม่มีอาหารเราก็ให้เงินเขาไปซื้ออาหารหมาไม่มีอาหารเราก็ซื้ออาหารให้มันกินมันก็เป็นการให้เหมือนกันคนให้นี้ได้เท่าเท่าเท่ากันไม่ว่าจะให้ใครไม่ผู้รับไม่ไม่สาคัญในในเรื่องของผู้ให้นะส่วน ผู้รับนี่จะสําคัญก็ต่อเมื่อผู้รับเขาจะให้อะไรเรากลับมาได้หรือไม่เพราะบางทีเราไปให้ผู้ที่เขาให้กลับให้สิ่งที่เราไม่มีกลับมาเช่นเราไปให้พระท่านให้ธรรมะกลับมาถ้าเราไม่ไปหาพระเราก็จะไม่มีธรรมะกลับมาถ้าเราให้หมามันก็จะมาเห่าเฝ้าบ้านให้เราฮพอเลี้ยงหมามันก็จะมาเป็นหมาเฝ้าบ้านให้เรางั้นมันเยอะ ผู้ผู้ที่เราจะได้สิ่งที่เราจะจะได้จากผู้ให้ผู้รับนี้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความสามารถของผู้รับว่าเขาสามารถให้อะไรเราได้เขาก็จะให้อย่างนั้นกับเราเป็นเป็นการตอบแทนบุญคุณคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้ว ตอนปลีกวิเวกหลายๆวันสังเกตว่าใจต้องอยู่กับปัจจุบันหรือพุทธโธให้มากที่สุดช่วงนี้เผลอให้จิตคิดห่วงโ น, น่นนี่จิตฟุ้งมากต้องกลับมาอยู่กับพุทธโธใช่ไหมพุทธโธใหม่ใช้เวลาถึงจะสงบแสดงว่าอย่างนี้ไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะแก้ไขยอย่างไรคะก็ต้องหมัน่นเจริญสติให้มากๆไม่ให้มันมีช่องที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ แล้วพอนั่งได้ก็ต้องนั่งเพราะถ้าไม่อยู่ในท่านั่งจิตมันจะไม่เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ค่าถามต่อไปจากคุณพรชัยค่ะขอกราบนมัสการถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิถ้าทำไปแล้วมันมีมันมืดแล้วหมุนแล้วสว่างแล้วคล้ายอยู่ในกลางทุ่งที่มีหมอกเยอะนี่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่านั่งแบบไม่มีสติ ถ้านั่งแบบมีสติมันจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้ต้องนั่งแล้วต้องมีสติดูลมอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวถ้านั่งเฉยๆไม่มีการควบคุมใจมันก็จะผลิตอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณวิรัติค่ะผมใส ผมใส่บาทพระผมยืนบนรองเท้าพระท่านบอกว่าให้ออกจากรองเท้าเพราะจะไม่ได้บุญขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยครับคือเวลาเราใส่บาทนี่เราได้บุญหลายอย่างบุญจากการใส่บาทคือให้อาหารนี่จะใส่รองเท้ากอไม่ใส่รองเท้าเราก็ได้บุญนั้นนั้นแต่บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เราต้องถอดรองเท้าถึงจะได้ เพราะว่าพระถือว่าท่านเป็นผู้ที่สูงกว่าเราท่านเดินท่านไม่ได้ใส่รองเท้าท่านยืนอยู่ต่ำกว่าเราถ้าเราไปยืนบนรองเท้าก็ถือว่าเรายืนอยู่ที่สูงกว่าท่านก็ถือว่าเราไม่ยอมลดตัวเราลงให้ต่ำไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญอันนี้เราก็เลยไม่ได้ แต่บุญที่เกิดจากการใส่บาตรเราก็ได้เหมือนเดิมถ้าอยากจะได้บุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็ต้องไม่ใส่รองเท้าเวลาที่เราใส่บาตรถอดรองเท้าก็ต้องอก็ต้องไม่ยืนบนรองเท้าบางคนใส่ถุงเท้าก็ถอดออกเพราะเขาเชื่อคำพูดของหลวงตาที่ท่านสอนว่าเท้าเปื้อนมันล้างง่าย แต่ใจเปื่อนมันล้างยากใจเปื่อนด้วยกิเลสคือการถือนื้อถือตัวมันล้างยากแต่ลองตีนเปื้อนมันล้างง่ายถอดรองเท้าถอดถุงเท้าออกดเดี๋ยวตีนมันเปื้อนก็กเช็ดซะหน่อยล้างซะหน่อยแล้วก็ใส่กลับไปได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบพระอาจารย์ครับการทำบุญร่วมสร้างเจดีต่างๆมีผลบุญกุศลอย่างไรครับ คนให้ก็ได้เหมือนกันน่ได้ความอิ่มใจสุขใจไม่ว่าจะให้สร้างอะไรก็ตามส่วนสิ่งที่เราสร้างมันก็มีประโยชน์ตามความจำเป็นของมันถ้าไม่มีกุติสร้างกุติมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระที่จะได้มีที่อยู่อาศัยถ้าสร้างเจดีย์ก็จะได้มีสังเวชนิยสถานเป็นที่ให้เรามารำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กันคะคำถามต่อไปจากคุณสมศรีค่ะ คำถามที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือซื้อของคนจีนมาขายซื้อมาจํานวนมากเพื่อมาขายส่งโดยคนจีนรับรับปากว่าจะไม่มาส่งสินค้ากับลูกค้าของเราแต่แล้วในที่สุดเขาก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าของเราในราคาที่ถูกทําให้เราขายของไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มาซื้อของจากเราอีกเลยต่อไปติดต่อ เลยไปติดต่อค้าขายกับคนจีนแทนตอนนี้หนูก็เลยขายสินค้าไม่ได้ซื้อของที่เขาซื้อมาก็เหลือเยอะถึงเวลาคนจีนก็มาเก็บเงินหนูควรทําอย่างไรดีคะกับคนจีนที่ไม่รักษาสัญญาก่อนหน้านี้เขารักษาคําพูดไม่มาขายแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคะ่ะก็เลือกติดต่อเขาสิเลิกทําการค้าขายกับเขาเมื่อเราไม่สามารถไว้ใจเขาได้เราไม่รู้ว่าเขาจะ บิดพลิ้วหรือไม่ยังไงสร้างความเสียหายให้กับเราเราก็ต้องเอาเหตุการณ์อันนี้มาเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าอย่าละอย่าเชื่อใจใครอย่าทําอะไรทางธุรกิจก็จึงมองจะมีการทําสัญญากันแล้วก็มีการค่าโทษถ้าผิดสัญญาก็ต้องอจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเรื่องของทางโลกคนเรามันมีความโลภ เวลามันอยากได้อะไรมันก็รับปากครับครับครับครับพอ <c oughs> ถึงเวลามันได้สิ่งที่มันอยากได้มากกว่ามันก็ลืมคําพูดไปมันก็ทํามันก็ไม่ทําตามสัญญาไปนี่คือเรื่องของการค้าเขาถึงต้องมีการทําสัญญากันไม่ว่าจะทําอะไรก็าตามสร้างบ้านสร้างอะไรต้องเซ็นสัญญากันก่อนเนี่ยเดี๋ยวสร้างไปแล้ว ไม่ยอมจ่ายคนสร้างเขาก็เดือดร้อนเลยหรือจ่ายไปแล้วคนสร้างไม่สร้างตามที่สัญญาไว้มันมันกม็มันก็เสียมันมีท้าไม่ดีทั้งสองฝ่ายก็ถึงต้องมีสัญญาผูกมัดไว้ขนาดมีสัญญาบางทีมันยังมันยังละเมิดสัญญาแล้วมันก็หนีไปดื้อๆ อ, อ, อย่างนั้นหายไปก็ม <laughs> ี บางทีนอกจากทำสัญญาแล้วยังต้องมีการวางคํำประกันด้วยใช่ไทำอะไรบางทีเ็า่าคุณต้องมีเงินวางคํำประกันว่าคุณจะทำตามที่คุณพูดได้ถ้าคุณไม่ทำตามที่คาพูดเราจะได้ริบเงินของคุณได้นี่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของคนที่มีกิเลสถ้าทำสัญญากับผ้าลหารัดสบายใจได้ไม่ต้องทำสัญญาก็ได้ท่านจะไม่มีวันที่จะโกงเรา คำถามต่อไปจากคุณปรีชาค่ะอารมณ์ของพระนิพพานนี้เป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ยลองไปทําดูเถอิดถ้าไม่ทํามันไม่รู้หรอกบ อ, อกไปกระทานั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามต่อไปจากคุณโนนท์ใสทองค่ะขอประทานโทษค่ะผู้ไม่ประสองค์ออกนามจะเป็นหรือเปล่าคะที่ที่บ้านต้องตั้งศาลาสามพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ค่ะก็แล้วแต่ที่บ้านถือว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็น ถ้าคุณถือว่าจำเป็นคุณก็ต้องสร้างถ้าคุณไม่ถือว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องสร้างทําไมบ้านทุกบ้านเขาไม่สร้างศาลากัผสานพ ร, ระภูมิกันก็บางบ้านก็ถือว่าจําเป็นบางบ้านเขาถือว่าไม่จําเป็นนั่นเองก็แล้วแต่ว่าเราจะถือไม่ถือเท่านั้นเองคําถามต่อไปจากคุณพนิภาค่ะน้อมจิตกราบครูบาอาจารย์ค่ะคุณแม่เสียไป27วันทําบุญอย่างไรบุญจึงจะส่งไปถึงคุณแม่ได้คะ ก็บุญอย่างที่เราทําทั่วไปใส่บาตรถวายสังฆทานบริาจาคเงินให้โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรนี่ก็เป็นบุญที่เราสามารถอดทิศไปได้ส่วนคนตายนี้เขาจะรอรับหรือไม่ก็เรื่องของเขาเราไม่รู้บางคนเขาไปเขามีบุญติดตัวไปเขาก็ไม่มารอรับบุญของเราถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็อาจจะมารอรับบุญของเราคําถามต่อไปจากคุณรัชชาค่ะ การถวายผ้าไตรให้กับพระสงฆ์กับการถวายสังฆทานจะได้รับบุญเท่ากันไหมคะบอกแล้วไงว่าทุกอย่างคนให้ได้เท่ากันทุกอย่างไม่ว่าจะให้ใครจะให้แบบไหนแต่คนรับนี่ก็จะทําประโยชน์ให้กับเราต่างกันเท่านั้นเอง ให้หมอหมอก็จะทาประโยชน์มาดูแลรักษาร่างกายเราให้ครูให้โรงเรียนเขาก็จะมาสั่งมาสอนเราให้พระท่านก็จะมาสอนธรรมะกับเราแต่เงินที่เราให้จำนวนเท่ากันให้กับใครมันก็ได้บุญเท่ากันคะและถ้าการทำบุญนี้ต้องการอุทิกให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วการถวายผ้าตรถือว่าได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานหรือเปล่าคะไม่เรา ก, ก็เท่ากันเนย อุทิศได้เหมือนกันอยากจะให้มันมากก็ถวายมากๆากสิบุญมากบุญน้อยอยู่ที่จ่ายมากจ่ายน้อยนะจ่ายสิบบาทกับจ่ายร้อยบาทอันไหนมันจะมากกว่ากันซื้ออาหารสิบบาทกับซื้ออาหารร้อยบาทอันไหนจะอิ่มกว่ากันนะคำถามต่อไปจากคุณทันวาลัยค่ะถ้าเราสวดอิอออติปิโสตลอดเวลาที่เราคิดขึ้นได้เราจะได้บุญแบบไหนเจ้าคะได้สติไง ใจใจที่ไม่ฟุ้งซ่านใจสงบใจมีความสุขคำถามต่อไปจากคุณวันนิพาค่ะเวลาจิตเผลอย้อนกลับไปคิดถึงอดีตจากคนที่เคยทำร้ายจิตใจโยมจะโกรธเกลียดตุนแรงขึ้นทุกครั้งที่นึกถึงพอรู้ตัวหรือทำอย่างอื่นก็จะไม่นึกถึง พยายามแผ่เมตตาแล้วก็ยังให้อภัยคนคนนั้นไม่ได้พระอาจารย์มีวิธีจะแนะนําระงับความโกรธเกลียดในใจของโยมได้บ้างไหมเจ้าคะถ้าใช้เหตุผลก็คือความโกรธเกลียดมันไม่ได้ไปทํำร้ายเขาหรอกความโกรธเกลียดมันทำร้ายเราทุกครั้งที่เราโกรธเกลียดมันก็ทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทําร้ายเราเราก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาเหมือนกับการเอาคอยมาทุบศรีรษะเรา ทุกครั้งที่เราโกรธใครแลร้วเขค้อนมาทุบศรีรษะเราใครเจ็บแล้วคนที่เราโกรธล้เราเจ็บอะยงั้นถ้าเราไม่อยากจะเจ็บใจก็อย่าไปโกรธเขาเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วถ้ายังคิดแบบนี้ไม่ได้ก็เวลามันจะคิดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธใช้สติหยุดมันไปสวดมนต์ไปต่อไปมันก็จะหมดกาลังไปเองถ้าเราไม่ปล่อยให้มันคิด <c oughs> คำถามจากคุณจิตนภาคะ่ะนั่งสมาธิจิตไม่นิ่งได้จะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเจ้าคะก็มันนิ่งมากนิ่งน้อยไงมันพอพอนั่งนี้มันก็ได้ประโยชน์แต่ยังไม่ได้ผลเต็มที่นั่นเองคยอย่างน้อยก็ได้ความพยายามที่จะทำให้มันนิ่งดีกว่าไม่นั่งเลยถ้าเปรียบเทียบแต่ผลที่มันจะได้จริงๆนี่มันยาก ผลที่มันจะได้แบบเต็มร้อยนี่มันยากเหมือนปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะปลูกวันนี้แล้วจะให้มันออกดอกผลทันทีมันยากต้องหมันปลูกไว้แล้วต้องหมันคอยรดน้ำพ่นดินใจเย็นๆทํารอมันไปแล้วผลมันถึงจะปรากฏบุญที่เกิดจากการทําใจสงบนี้มันยากกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานให้ทานนี้มันทันทีเลยพอบริจาคเงินไปปั๊บ ใส่บาปปุบนี่บุญก่อขึ้นเลยความสุขใจก่อขึ้นทันทีเขาจึงนิยมให้บุทพิศบุญด้วยการทําทําบุญทําทานส่วนบุญที่เกิดจากการไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกสตินี้มันยังไม่เป็นบุญยังไม่ได้เป็นผลเป็นเพียงแต่เป็นการริเริ่มเป็นการก่อร่างสร้างบุญขึ้นมาเทนั้นเองคําถามต่อไปจากคุณจริงขอรค่ะ ขอแกรบเรียนถามจิตเป็นกลางในธรรมทั้งหลายตั้งแต่ขั้นใดครับตั้งแต่อปปนาสมาธิขึ้นไปไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่เป็ น, เ ป, นเป็นกลางชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาถ้าถูกกิเลสเข้ามาหลอกล่อ ก, ก็จะหายจากความเป็นกลางได้ ถ้าอยากจะให้มันเป็นกลางไปตลอดก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดกิเลสที่จะมาหลอกให้ใจออกจากความเป็นกลางพอรักอะไรชังอะไรต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจใจก็จะระงับความรักความชังแล้วกลับไปเป็นกลางได้คำถามข้อที่สองจะคุณจินพอกค่ะเข้าชานออก เข้าฌานออกฌานถีๆดูตอนความคิดจะออกมาแบบนี้ได้ไหมครับหรือควรทำอสุภะก่อนเหมาะสมครับไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรกัไม่รู้คำถามต่อไปจากคุณโมนาค่ะมีวิธีขจัดตัวขี้เกียจวิธีใดบ้างคะก็ใช้ความขยันไงถ้ามีถ้าขยันแล้วมันก็ไม่ขี้เกียจถ้ามันไม่ขยันมันก็ขี้เกียจแค่นั้นเอง พยายามขยันอย่าอยู่เฉยๆพยายามหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆฝึกนิสัยขยันไปก่อนขยันทํางานขยันเรียนหนังสือขยันกวาดบ้านถูบ้านขยันอะไรทุกอย่างมีอะไรที่ขวางหน้าก็ขยันทำไปเลยอะไรเกิกะก็จัดมันเก็บมันไปพอทําแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วความขยันมันจะมาเป็นตัวที่จะกําจัดความขี้เกียจต่างๆได้ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะบางคนที่ไม่สบายเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคบโพรลาถือว่าเป็นมาจากกรรมหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะคำถามจากคุณพัทราพรค่ะมีสองคำถามค่ะลูกบอกลูกชายอย่าตักน้ำในโอ่งที่มีลูกน้ำเดี๋ยวจะบาปตัวละค่ะ เดี๋ยวมันจะเป็นยุงมากัดเราเป็นไข้เลือดออกนะครับไม่ทราบว่าลูกบอกถูกหรือเปล่าเจ้าค ะ, ะถ้าไปฆ่ามันมันก็บาปนะถ้าไม่อยากจะฆ่ามันก็ตักมันแล้วไปปล่อยในบึงในลำธารลำห้วยข้อที่สองคะ่ะแล้วถ้าลูกบอกแม่บ้านหรือคนทาสวนให้จัดการเคลียร์ให้อย่างนี้ลูกจะเหมือนไปสั่งฆ่าลูกน้าหรือเปล่าเจ้าคะอะสั่งหรือเปล่าล่ะสั่ง ถ้าสั่งก็บาปทำเองก็บาปสั่งให้คนอื่นทำให้ก็บาปหมดแล้วเหรอคะช่วงนี้คำถามหมดค่ะหมดแล้วจะได้ปิดประชุมคำถามว่าค่อนข้างที่จะไม่รู้ถามอะไรกันได้ได้เดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปไหนจะเดี๋ยวส่งไป พูดใกล้ๆไมโครโฟนนะจะได้ยินเสียงกับน้มัสการ์พระอาจารย์ค่ะคือปกติหนูจะนั่งสมาธิวันละประมาณสี่สิบ้านาทีค่ะพูดใกล้ๆปากหน่อยให้มันดังๆหน่อยปกติหนูจะนั่งสมาธิวันละสี่สิบห้านาทีค่ะถ้ามีเวลาหนูอยากถามพระอาจารย์ว่ า, เ, าเราเราจะนั่งเท่าไหร่ถึงจะดีคะหรือว่าแล้วแต่สะดวกนั่งให้มันสงบนะ ถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานพอมันไม่สงบเดียวมันก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้มีมีคำถามหนึ่งนะคะคเวลาที่หนูนั่งนะคะความเย็นตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะ อ, อ๋อมันเป็นยังไงทางร่างกายไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นผลพลอยได้บางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นไม่สำคัญขอให้ใจเราเย็นก็แล้วกัน ใจเย็นสบายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิค่ะขอบพระคุณค่ะนะพยายามนั่งบ่อยๆถ้านั่งได้สีไาทีเดียวลุกขึ้นมาเดินสักพักแล้วกลับไปนั่งต่ออ๋อทำได้ใช่ไหมคะได้ทำทั้งวันเลยก็ได้อ๋อค่ะโอสถถูกไม่ต้องทำแค่วันครั้งเดียวยิ่งทำมากยิ่งได้มาก ออค่ะมันตักน้ําใส่ตุม่มตอนนี้ตักได้ห้าขันก็หยุดไปพักเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีแรงก็กลับมาตักใหม่ห้าขันนี่นี่ตักบ่อยๆเดี๋ยวน้ำก็จะได้เต็มตุ่มเร็วๆโอ้ขอพระคุณเจ้าค่ะหนูคิดว่าห น, หนูหนูนั่งแค่นั้นพอไม่พอเราต้องพากเขานั่งทั้งวันทั้งคืนนะแต่โอ้ทางนั้นหนูจ ะ, ะ, ะมีเวลานั่งเลยมีเวลาเมื่อไหร่ก็นั่งเลยนั่งไม่ได้ก็เดินโอ้หนูจะค่ะ ทำไม่มากยิ่งมากเท่าไหร่จะยิ่งได้ความสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณเจ้าค่ะมีคาถามข้อไหนก็ป่าไม่มีแล้วนะไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน